ลำคาญคนถามเหือนนเถอะทำไมถามจุกจุกจุกจีแต่หลวงปู่ก็ตอบทุกปัญหาจริงจริงเหมือนันเถอะใครถามนี้ก็ตอบอแต่พอมาพิจารณาดูอีกตลบหนึ่งคนที่ยังไม่ได้มาถามปัญหากลุ่มนั้นก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะกลุ่มเริ่มแรกยังเข้าใจยังข้องใจในเรื่องต่างๆเรื่องผีสางนางไม้เหลืองอะไรต่ออะไรหลวงปู่ล่าก็ตอบหมด แต่นี้พอท่านตอบไปแล้วก็อยู่ในหนังสือก็อมีสาระมีประโยชน์พวกที่อ่านดูก็เออในพวกระดับนั้นก็เข้าใจในพวกที่ปฏิบัติส่วนลึกๆ ก, ก็เข้าใจได้อีกส่วนหนึ่งที่ท่านตอบตอบทางฝ่ายประมตทธรรมก็มีจะเหมือนกับนักเรียนประถมเรื่องแรกยังไม่รู้จะไปสอนมัธยมเข้าไปเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นระดับประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกมันคงจะเป็นขั้นตอนอย่างนั้นเหมือนกัน ไม่ต้องพูดไกลหรอกอคุณปอบอกว่าตะก่อนฟังเทศหลวงตามหาบัวไม่เข้าใจฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเลยไม่รู้หลวงตาพูดอะไรเหมือนออทุกวันนี้พอได้ภาว น, นาได้ปฏิบัติฟังหลายครั้งตัวไร้ขนก็เข้าใจไม่ว่าแต่สุปอนะเนี่ยอาจารย์ก็เหมือนกันหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันเทั้งที่ท่านเรียนจบปทสามไปศึกษากับหลวงปู่มั่นท่านในหลวงปู่มั่นพูดแต่เรื่องกิจ ศึกษาแต่เรื่องจิตพูดแต่เรื่องจิตอ่ก็เลยไม่เข้าลุงตามหาบวัวเนี่ยท่านรู้แต่ทางปริยัตท่านบอกท่านหลุงปู่มั่นพูดเรื่องศีลเออพอเข้าใจทุกอย่างพอี่ศึกษามาพอพูดถึงเรื่องสมาธิเนี่ยก็ขเข้าใจแต่พอพูดถึงวิปัสสนาเรื่องปัญญาแล้วไม่เข้าใจเท่าัง น, นะอะ่จากนั้นมาพราท่านปฏิบัติเข้าไปเข้าไปลุงปู่มั่นพูด เข้าใจไปเรื่อยๆที่นี่ท่านบอกว่าตอนนี้ท่านพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเนี่ยไม่สนใจละเข้าสมาธิฟังมันกำหนดจิตให้อยู่กับตัวพอท่านพูดอธิบายเรื่องวิปัสสนาปัญญาใช่นหะตามหลังท่านเลยอะไรท่านนี้ตามหลังท่านเลย้าว่ท่านพูดเรื่องอะไรตามตามตามตามพอไถึงจุดที่เราไปภาวนาที่มันติดขัดอยู่น่ะที่เรามันถึงจุดนั้นเราจะทํำยังไงพอไปถึงจุดนั้นเราก็จ่อแล้ว โอ้็ปพี่นาอย่างนี้เองนะเนี่ยท่านว่าการฟังเทศจากครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านปฏิบัติมาแล้วมีสาระมีประโยชน์ในครั้งพระพุทธเจ้าท่านที่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นอริยบุคคลพระโสดาสกทาคานาคาก็เพราะการฟังไม่ใช่น้อยคือการฟังในเวลาท่านพูดอธิบายให้ฟังจะมีขั้นตอนขั้นตอนไปบอไปถึงจุดนั้นแล้วจิตใครอยู่ในระดับไหน ก็พิจณาทะลวงไปในจุดนั้นคนไหนที่พิจณาถึงจุดนั้นแล้วพิจณาต่อไปอีกอันนี้คือการฟังทำนะในคําถามคําตอบหลวงปู่ล่าก็ลักษณะนั้นเหมือนกัน่ะท่านเขียนมีหลายระดับถ้าเราเอาไปศึกษาเอาไปอ่านดูหนังสือเล่มนี้อาจารย์ว่าโอ้มีประโยชน์มากมากนะมีประโยชน์มากสาหรับผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติพอมีคนถามให้เสร็จว่างั้นเถอะขนานอาจารย์อยู่อย่างนี้แนวความคิดของหลวงปู่ในท่าน อธิบายให้ฟัง น, น่าศึกษาทีเดียวว่างั้นเถอะก็เมื่อวันที่ยี่สิบพ่าที่ผ่านมาอาจารย์ก็ได้ไปมอบโรงเรียนที่มุกดาหารสร้างเสร็จแล้วมอบโรงเรียนแล้วก็มอบพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างของหลวงปูล่ลานเนี่ยคือพิพิธภัณฑ์ชั้นบนฉลองไปแล้วมอบไปแล้วแต่ชั้นล่างมันโล่งอยู่นี่ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยท่ำรัตนะไปขอให้พวกอะไรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มาแล้วก็ออกแบบออกแบบอาคารชั้นล่างว่าจะใส่อะไรเข้าไปบ้างจึงจะเหมาะสมคือเวลาคนขึ้นไปกราบเจดีเสร็จแล้วเวลาลงมาก็มองชั้นล่างกันลง่ลงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเอทนนี้ก็เลยเอาเตียงนอนของหลวงปู่นะทําเป็นห้องกระจกแล้วก็เก้าอี้ที่ปงผมของท่านมาตั้งไว้จากนั้นก็มีรูปสถานที่ต่างๆที่องค์หลวงปู่ไปภาวนา ที่ทำผาแดนบ้างถ้าภูเวศบางแถวจังหวัดภูเก็ตพังงาบ้างในที่ไหนๆที่หลวงปู่เคยไปที่เป็นถ้ำเป็นที่ทําเลยังพอถ่ายรูปนั้นได้อยู่ก็ถ่ายรูปแผนใหญ่จากนั้นก็มีชีวรประวัติของหลวงปู่อธิบายความเป็นมาของหลวงปู่ภาคปฏิบัติแล้วก็หลวงปู่มีกิจวัตรอะไรบ้างที่เป็นพระกรรมฐานและจะมีภาษาอังกฤษด้วยนะคือที่อื่นๆโดยมากจะไม่มีภาษาอังกฤษ อันนี้อาจารย์บอกว่าน่าจะใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปเพราะว่ายุคนี้สมัยนิทรรศน์เข้ามาเที่ยวมาชมพิพิธภัณฑ์หลายหลายแห่งมาก็ดูดมิตรภาษาไทยอันนี้ควรจะมีภาษาอังกฤษอธิบายธรรมะแนวความคิดของพระไว้ด้วยเพื่อพระพวกฝรั่งเข้ามาเขาจะได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษจะได้ศึกษาอย่าให้เขาได้คิดว่าเอ๊เขาทําไมขึ้นมาทําไมมีรูปพระองค์หนึ่งนั่งอยู่นี่ เนี่ยเขามีความหมายเป็นไงทําไมพระองค์นี้มีคุณมีสาระอะไรทําไมเขาจึงมีเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นควรจะมีเป็นภาษาอังกฤษอธิบายให้พวกชาวต่างประเทศเขามาดูด้วยเพราะตรงนั้นก็เป็นที่หลวงปู่ศรีใกล้ๆกับหลวงปู่ล่าเน๊หลวงปู่ศรีมหาวีโลสร้างเจดีย์ใหญ่นะ่ะหมดไปเกือบจะเป็นพันล้านมันมัน้งใหญ่มากเลยถ้าใครไม่เคยไปก็ไปดูนะ่ะเอ่อเจดีย์ใหญ่มาก ที่ผาน้าย่อยนะ่ะแต่บางคนเขาบอกโอ้ยสร้างเสียดายเงินนะแต่อาจารย์ไม่ว่าอย่างนั้นเล้ถ้ามีใครมีปัญญาสร้างเลยเพราะเงินเนี่ยมันถ้าไม่สร้างมันก็หมดอยู่แล้วอตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนมาตั้งแต่สร้างโลกมามันหมดไปลูกกี่สมัยแล้วหมดเกินเพราะในยุคนี้สมัยนี้มันมีเงินก็สร้างเลย ใ, ใครจะสร้างให้เป็นสราระมีประโยชน์อแต่สร้างขึ้นมาแล้วจะไปทําแบบอะไรทาริบันท่านเองนะ่ะ ถ้าทำอย่างนั้นะแย่มากมันโง่จริงๆทำไมทุกยากขนาดนั้นเรายังไปทำลายพพุทธรูปอีกแต่ถ้าว่าผู้ใดคิดมาสร้างขึ้นมาแล้วมีสาระมีประโยชน์อย่างหลวงพ่อเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็เมื่อวันที่25ที่ผ่านมากับนี่หละหมอบพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างหมดไปห้าหกแสนมานเลยที่สร้างนะชั้นล่างนะมีรูปภาพถ่ายมีอะไรต่ออะไรๆจะนั่นก็ มอบโรงเรียนประชาบาลให้แก่หมู่บ้านเขาสองหมู่บ้านในแต่ละโรงเรียนก็สร้างไปหลังละสองล้านนะสี่ล้านสองหลังแต่ก็ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เข็มและก็โต๊ะเก้าอี้โต๊ะครูเก้าอี้ครูตู้เอกสารครูครบหมดว่างั้นเถอะแปล ว, ว่าครูโรงเรียนเนี่ยเนบกระดาษดินสอเนีบกระเป๋าใบเดียวเนบแักแรืขึ้นไปก็สอนได้เลยว่างั้นเถอะ ตัวเอกสารพร้อมโต๊ะเก้าอี้พร้อมสองหลังหมดไปเกือบหกล้านห้าล้านกว่าก็มอบไปแล้วเมื่อวันที่25้าที่ผ่านมาแต่วันที่ส8ที่จะถึงนี่จะมอบอีกหลังหนึ่งอลยหลวงพ่อสร้างโรงเรียนสามหลังในบริเวณนั้นสร้างในนามของหลวงปู่ล่าน่นะแต่หลวงปู่ลาท่านไม่รู้หรอท่านจุตินิพพานไปแล้วแต่หลวงพ่อระ ล, ลึกถึงพระคุณของท่านอยู่กับท่านก็ พาพวกศรัทธาญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหารวมกันสร้างแต่หลังที่จะมอบวันที่สิบแปดที่จะถึงเนี่ยหลังนี้ใหญ่ยาวเจ็ดสิบสี่เมตรสองชั้นปูกระเบื้องชั้นบนชั้นล่างมีห้องน้ำสองข้างห้องน้ำหญิงชายจากนั้นก็มีห้องน้ำนักเรียนอีกแปดห้องเด็กหญิงเด็กชายห้องละสีแล้วก็สนามฟุตบอลแล้วก็ถังน้าใหญ่อย่างนี้อีกสองถังโต๊ะเก้าอี้ รวมแล้วหลังนี่ห้าล้านกว่าเสร็จแล้วจะมอบวันที่ส8ที่จะถึงนะคราวที่แล้วทางครูโรงเรียนเขาก็บอกว่าจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับอาจารย์เองอาจารย์บอกว่าจะเป็นใครก็ได้จะเป็นผู้ว่าก็ได้ร้องผู้ว่าก็ได้เลขขาอะไรสพชบ่จังหวัดก็ได้ก็ชุดแท้แต่ถ้าว่าท่านเหล่านั้นติดธุระขัดข้อง ม, มาไม่ได้ เดี๋ยวหลวงพ่อจะมอบให้เด็กนักเรียนก็ได้เป็นไรไปวะแต่หลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรหรอกเรื่องมอบเพราะว่าหลวงพ่อในคิดว่ามีแต่หาเงินมาสร้างเท่านั้นอนะยากวาะเรื่องมอบก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าทางจังหวัดเห็นความสําคัญของผู้เสียสละในการก่อสร้างก็อืทางจังหวัดก็น่าจะมารับเพื่อเป็นเกียรติที่เขามาสร้างให้จังหวัดมุกดาหารก็ดีวะนี่ว่าติดธุระก็ไม่ว่ากัน แต่นี่นก็ได้ลองพู้ว่ามาผู้ว่าติดโทร่ด่วนว่างั้นมีความจําเป็นจะได้มาประชุมจังหวัดขอนแก่นแต่คราวนี้คิดว่าก็จะเชิญอะไรเลขาสํานักงานการปฐมแห่งชาติบอกจ า, ากกรุงเทพว่างั้นแต่จะมาหรือไม่ก็ยังพูดเป็นนั้นอยู่แต่ว่าเขาจะเชิญมารับมอบแต่อาคารเรียนหลังนี้ก็เป็นของคณะคุณชัยคุณชัยนศรีละวันลูกของลูกชายของดรชาว่างั้นเถอะ แต่เฉพาะอาคารอย่างเดียวสามล้านเก้ายังไม่รวมโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ต่างๆยังไม่ได้คิดว่า ง, งนะั้นเลยเฉพาะอาคารอย่างเดียวแตอนี้พอรวมหมดทุกอย่างแล้วก็ประมาณห้าล้านกว่ากว่าทั้งอุปกรณ์ทั้งจัดเตรียมทุกอย่างของโรงเรียนตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็การพัฒนาประเทศชาติก็มอบให้ครูบาอาจารย์เนี่แหละเป็นต้นแบบแม่ฉบับเป็นผู้ดูแลลกูกหลาน พอเด็กลูกเล็กเด็กแดงตอนเช้ามาก็ให้ไปส่งไปให้โรงเรียนพ่อแม่มเขาไม่ได้สอนนะพอตื่นมาก็ไม่มีโอกาสที่จะสอนลูกละมีแต่สุกลุกหุกหาอยู่หากินหาอะไรให้ลูกจากนั้นก็ส่งไปโรงเรียนละ่ะพอส่งโรงเรียนกลับมาก็บางทีก็ข่ําล่ะพ่อแม่ก็สุกลุกหุกพอจากนั้นก็หาข้าวหาหน้าไม่กินก็ไม่มีโอกาสที่จะสอนลูกจากนั้นก็หลับนอนตื่นเช้ามาก็ทาอย่ยางเก่าเพราะนั้นวันทั้งวัน มอบลูกไว้ให้กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เ น, น่ยเป็นผู้ที่จะดูแลปลูกฝังอุปนิสัยของเด็กลูกหลานถาาว่าครูบาอาจารย์ไม่ดูไม่แลลูกหลานเนี่ยอประเทศชาตินี่ไปยากเลยหลวงพ่อวะ่ะอันนี้ขอฝากให้ครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์มัดนีทั้งหมดได้ผลเนี้เออนี่แหละหลวงพ่อก็ให้ความสําคัญในการศึกษาแถวๆนี้ก็เหมือนกันโรงเรียนดุงทองพิทยาคมเนี่ย หลวงพ่อสร้างห้องสมุดให้เนี่ยหมดไปหลายแสนเนี่ยคิดว่าเขาจะเปิดก่อนปิดเธอเมืเงินคงไม่ทันหลวงพ่อบอเปิดจําไหนเวลาไหนก็ได้วะทีนี้หลวงพ่อหาหนังสือไม่เนี่ยหนังสือใครหนังสือเก่าแ ก, ก่จากบ้านจากอะไรที่เป็นหลักอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษอะไรก็ได้หลวงพ่อเอาทั้งหมดหนังสืออมัธยมทีนี้เขาสง่งมาให้สองสามรถปิกนัปไปเนี หลงพ่อก็ส่งเข้าโรงเรียนยุงทองก็ให้ครูโรงเรียนเขาเลือกว่าถ้าหาว่าเป็นอันไหนสมควรที่เป็นของปถมก็ให้แยกเพราะหลวงพ่อไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้จักได้ปฐมมัธยมซุเจ้าเลือกเอาเองก็แล้วกันส่วนไหนที่เป็นมัธยมก็เขามัธยมไปส่วนไหนจะเป็นปถมก็ให้ส่งไปตามโรงเรียนปถมไปเขามาให้ถึงสองสามตปิ้งอัพแล้วส่งเข้าไปแต่เขาก็ยังบอกว่าเขาขาดหนังสือที่หลักฐานอ้างอิง หรือยืนยันในลักษณะเข้าว่ากันนั้นนะถ้าหลวงพอ่ออ่านั่นก่อนอยากจะได้หนังสือประเภทอย่างนั้นอีกเอางั้นหลวงพ่อก็ได้รับรับเออว่ะเดี๋ยวเราจะหาให้ทีหลังนี่ละเรื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสามหลังก็หลังละสี่เครื่องมั้งพร้อมกับเครื่องพิมพ์เข็มให้พอในการสอนของเขาว่างั้นเถอะพอทำทำเสร็จแล้วก็ให้มันดีๆไปเลยนี่แหละ คือหลวงพ่อมาประมวลมาพิจารณาดูแล้วอาจารย์พิจารณาดูแล้วการที่จะพัฒนาประเทศชาติเนี่ยมันต้องไปด้วยกันสามอย่างอคิดแบบย่นย่อนะอันดับแรกคืออยู่ดีกินดีของประชาชนพออยู่พอกินเหมงั้นเถอะไม่ใช่อยู่ดีกินดีคำว่าอยู่ดีกินดีมันขนาดไหนคำว่าดีเนี่ยดีมันมีที่สิ้นสุดไหมอยู่ดีกินดีดีขนาดนี้ดีขนาดนั้นเหางั้นเถอะเอออพออยู่พอกินเหมืงั้นเถอะ พออยู่พอกินพอใช้พอสอยไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจนเกินไปงั้นเถอะนี่ว่าพออยู่พอกินเศรษฐกิจเพียงพอเข้าํานองที่ในหลวงตรัสไว้นั่นแหละอันนี้หลวงพ่อบอกว่าพออยู่พอกินคือการพออยู่พอกินเนี่ยคือประเทศชาติของเราเนี่ยจะอยู่ยังไงจึงจะพออยู่พอกินต้องมันขยันอดทนประหยัดมัธยัติรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้ แต่ตามไม่จริงอย่างครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเงินเดือนถ้าจะว่าไปแล้วก็รู้จักใ <amongst S 1> ช้ถ้ารู้จักใช้นี่มันมีเมืองพอเด้ถ้าว่าไม่รู้จักใช้นี่มันไม่มีเมืองพอพอไม่เป็นเหมือนั้นเถอะอย่างอาจารย์เคยพูดว่าคิดจะปลดนี่ครูนะครูบาอาจารย์แต่ตามไม่จริงครูบาอาจารย์ถ้าจะว่าไปแล้วก็เงินเดือนก็ arn, น้อยไปอย่างที่ว่านั่นนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าน้อยแต่ครูบาอาจารย์ อาชีพแผนอื่นก็น้อยเหมือนกันถ้าจะพ่วไปอะไรก็คือประเทศชาติเมืองไทยของเรายังยังทุกจนอยู่ก็คงจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าว่าการใช้ของเราถ้าจะเปรียบเทียบกับชาวบ้านกับครูบาอาจารย์ของเรานี่อยู่ในเกรดระดับกลางเหมือนกันเถอะแต่ไม่ใช่ระดับสูงไม่ใช่ระดับฟุ่มเฟือยระดับกลางกลางพอเป็นไปได้ถ้าเปรียบเทียบกับชาวบ้านน ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเราไม่รู้จักใช้ มันก็ไม่เพียงพอแต่ถ้ารู้จักใช้มันเพียงพอพอเป็นพอไปถ้าเราเปรียบเทียบกับชาวบ้านเลยเขาทํไทาไร่ทํานาทํารั่วทําสวนเนี่ยก่อนจะได้ข้าวมาอยู่มากินมาเงินมาใช้มาสอยเนี่ยเขาฝากปากฝากท้องกับดินฟ้าอากาศถ้าว่าปีไหนฟ้าดีฝนดีผดพันธัญญาหารของเขาก็พอเป็นไปได้แต่ถ้าว่าปีไหนฝนแรงฝนตกชุกเกินไปน้ําท่วมเขาก็แย่เพราะนั้นเขาฝากปากฝา ก, ฝากท้องไว้กับ ดินฟ้าอากาศแต่ครูบาอาจารย์ของเรานี้ส่วนราชการเขาดูแลอยู่แล้วข้อสำคัญก็ตกเดือนมาเขาก็จับจ่ายให้ถึงจะมากจะน้อยแต่ถึงยังไงก็ทุกคนก็รู้ใช่ า, าเงินเดือนของเรามีเท่าไหร่การใช้ของเราเนี่ยน่าจะแบ่งใช้ว่าเดือนนี้เราจะใช้อะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้ารู้จักใช้เนี่ยตรงพ่อว่ามันก็พอเป็นพอไปอยู่แต่ทางว่าใช้แบบสุุ่ยสลายฟุ่มเฟือยนี่ มันก็อย่างว่าเท่าไหร่ก็มันก็ไม่พอในหลักธรรมทนว่ามองโลกให้มองต่ํามองธรรมให้มองสูงเท่านะั้นคือมองโลกเนี่ยให้มองต่ําคนต่ําต้อยกว่าเราเนี่เป็นยังไงการเป็นอยู่ของเขาเรานี่เหนือกว่าเขาแล้วดีกว่าเขาแล้วตั้งหลายเท่าเามีอยู่มีกินเงินเดือนออกมาแต่ชาวบ้านของเขานะเนี่อที่ต่ํากว่าเรานะ่ะเป็นยังไงเอทุกยากกว่าเราต่างเยอะแยะเอนี่ว่ามองโลกให้มองต่ํา มองทรรมไมองสูงมองทรรคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบต้องมองผู้สูงเอาไว้มองหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาพัวหลวงปู่ต่างๆที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านเป็นต้นแบบต้นฉบับที่สั่งสอนพวกเราที่เป็นคนดีเป็นยังไงให้มองสูงเอาไวา้ให้เราพยายามปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นพาปฏิบัติมางั้นเถอะอันนี้เรามองทรรให้มองสูง ให้คาดการณ์สูงเอาไว้เพรางั้นเถอะแต่ถ้าว่าเราคาดการณ์ต่ำเนี่ยเราอาจจะตกต่ำลงไปก็ได้เพราะงั้นเถอะนี่แหละคือการอยู่ดีกินดีของประชาชนคือมีอยู่มีกินสําหรับพระที่จะไปล่วงลูกให้ประชาชนทำมาหาเลี้ยงชีพทุกขแขนงทุกวิชาอาชีพนั้นคงเป็นไปไม่ได้คงจะบอกแต่ว่าเออให้อดทนขยันประหยัดพยายามเก็บหอมรอมริบนะ งดเว้นอบา ย, ยมุกทุกประเภทให้มีสัมมาชีพเป็นหลักแล้วก็รู้จักเก็บรู้จักใช้อันนี้คือพระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านจะสอนในลักษณะอย่างนี้จะไปสอนว่าเออทูเจ้าต้องไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงทำโรงงานสารอวนสารแหน่อย่างงี้ไม่ได้ผิดผิดศีลของพระแต่ว่าพระนี่สอนให้มั่นขยันอดทนประหยัดใช้ความเพียร ในการหาเงินใช้ปัญญาในการหาเงินเก็บหอมรอมริบอย่าไปใช้สู่ลุยสู่ไล่อันนี้คือพระสอนได้นะอันนี้คือการอยู่ดีกินดีของประชาชนอันดับที่สองคือสาธารณสุขสาธารณสุขนี่อย่างโรงพยาบาลอนามัยอย่างหลวงตามหาบัวท่านทำนะ่ะหลวงพ่อเห็นด้วยเดี๋ยวนี้อาจารย์เองก็ยัง กำลังสั่งซื้อเครื่องทําฟันให้แก่โรงพยาบาลน้ำโสมอยู่เนเนี่ยกําลังติดต่อประสานงานอยู่ว่าจะเอามาให้โรงพยาบาลน้ำโสมตีเตรียมตเตรียมให้เขาบอกว่าประมาณสี่แสนเหมือนกัน่ะอันนี้ก็หลวงพ่อก็ยังคิดอยู่อันนี้คือสาธรารณสุขแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยซื้อเตียงผ่าตัดเครื่องตรวจเลือดเอ อ, อะไรหลายๆอย่างอยู่ช่วยโรงพยาบาลนะตลอดถึงในผ่าตัดนิว้วในถุงน้ําดีก็เคยสมทบซื้อไป หลายแสนเหมือนกันอันนี้คือสาธารณสุขสาธารณสุขนี่อาจารย์เองก็ได้พูดกับหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าว่ามีความวงไหนพอมีบุญวาสนาจะตุปัจจัยภายในวัดพอเป็นไปก็ควรจะช่วยเหลือสาธารณสุขในชุมชนบ้างในที่รอบด้านเพื่อจะให้ประชาชนมีความร่มเย็นพาสุก ข, ขึ้นได้เขาเพราะสาธารณสุขเห็นถ้าว่าประชาชนพอมีอยู่มีกิน อยู่ดีกินดีแล้วแต่สุขภาพไม่ดีเราจะสอนธรรมะเราจะสอนหนังสือให้เขาก็คงไม่เอาเพราะมันหิวเพราะมันปวดท้องเพราะมันสุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพดีก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญสาหรับประชาชนถ้าหากว่ามีอยู่ดีกินดีแล้วสุขภาพเป็นดีก็พัฒนาประเทศไม่ไปแต่ถ้าหากว่าประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขภาพดีแข็งแรงแต่ขาดการศึกษา ขาดการพัฒนาในการศึกษาออไม่ได้สอนวิชาความรู้ให้ไม่ได้สอนศีลธรรมให้มันก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะเพราะมันโง่เพราะนั้นการสอนประชาชนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักธรรมาหาเลี้ยงชีพวิชาอาชีพแขนงต่างๆที่พวกครูบาอาจารย์สอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งออทั้ง3อย่างบางงานเถอะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้เออพราะนั้นพวกเราอยู่ในฐานะที่ว่า เป็นสถานที่จำเป็นสําคัญอย่างยิ่งคือจะป้อนวิชาอาชีพให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นบุคคลสําคัญเป็นหัวใจของประเทศชาติอันหนึ่งว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นอาจารย์เองก็ขอมอบให้ครูบาอาจารย์ให้สำเนียกสานึกมาอยู่เสมอละก่อนที่จะทาอะไรสิ่งะไรก็ควรจะคิดไตรตรองพยยนานาิจารณาแล้วก็หาวิชาความรู้วิชาใหม่ๆ เพื่อจะมาพัฒนาประเทศชาติลูกหลานของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะเรื่องศีลธรรมนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญมากนะอย่างโลกทุกวันนี้เห็นไหมล่ะขนาดผู้ว่ายังถูกฆ่าตายและพวกเราตศิษย์ศราพวกเราเนี่ยเอาชีวิตแขวน้กับเสียนได้แล้วงั้นเถอะขนาดนั้นเขายังไม่กลัวนี่แหละแสดงว่าเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธก็จริงอยู่แต่ว่าจิตใจมันเป็นเปรต เ, เป็นผีไม่ใช่เป็นพุทธ ต่พุทแล้วต้องมีเมตตาต่อกันสงสารการมีความรักใคร่กันมีอะไรกดปรึกษาปรารถกันมีอะไรกดแนะนําสั่งสอนกันอ่อันนี้เราถ้าหากว่าเป็นพุทธแท้มีน้ําใจตัวกันแต่ถ้ากว่าเป็นพุทธแต่ชื่อก็อย่างว่านั่นแหล ะ, อ, ะอย่างที่ท่านพูดว่าถูกฆ่าตายนี่ได้เห็นได้ยินนะโอ้นาสลดสังเวชใจอย่างมากๆสรุปแล้วก็คือขาดศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจเออพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปที่กรุงกบิลพัด ท่านไปเทศให้เชื้อปรพญาธิพวงฟังพอเทศเหนื่อยแล้วท่านก็ขอพักพ่อนให้พระอ น, นุเป็นผู้แสดงต่อเพราะพระอนุนก็เป็นเชื้อพยาธิพวงเหมือนกันเนี่ยพระอนุนก็ขึ้นไปเทศพระอ น, นุบอกว่าวิ ช, ชาคือความรู้เป็นที่ยอมรับเป็นที่เชื่อถือของประชาชนทั่วโลกแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีวิ ช, ชาพร้อมกับจรณะคือความประพฤติปฏิบัติเป็นธรรม ผู้นั้นเป็นที่ยอมรับของเทวดาพร้อมมนุษย์ทั้งหลายพระอนุลพูดนะพระพุทธองค์เสด็จออกมาจากเทประทับ พ, พระภูริจ่าบอกว่ า, านอนุ์พูดถูกต้องพระนุลพูดถูกต้องเป็นธรรมแต่ว่าั้นนะคือคนมีวิชาแต่ขาดศีลธรรมคือถ้าว่าเป็นวิชากฎหมายวิชาตำรวจวิชาอะไรก็ตามนะแต่ถ้าว่าไม่มีจารณะคือความประพฤติควบคุมไปด้วยนะ่ย มันก็เหมือนกับมีดหรือดาบไม่มีฝักอย่างนั้นละ่ะสามารถที่จะจิ้มจะแทงใครก็ได้เป็นของสนุกไปแต่ถ้าว่ามีคุณธรรมในจิตใจก่อนที่เราจะไปแทงใครเข้าไปนี่หรือเราไปยิงเขาเข้าไปนี่ถ้าเขามายิงเราละ่ะถ้าเขามาแทงเราละ่ะถ้าเขามาแทงพี่น้องของเราสามีพันยาของเราละ่ะมาแทงลูกเต้าเล้าหลานของเราละ่ะมาฟันลูกเต้าเล้าหลานของเราละ่ะเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ล่ะคือปลอก นี่คือฝักหละที่นีมถ้าเราไปทำให้แกเขาเขาก็ต้องเสียใจเขาก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าเมื่อเขามาทำให้แกเราเราก็ต้องเป็นทุกข์เนื่อเพราะนั้นเราไม่ควรทำให้แกเขาเขาก็ไม่ควรมาทำแกเราอันนี้คือจรณะคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าว่าไม่มีจรณะแล้วมีแต่ความรู้เอาความรู้นั้นใช้กฎหมายข่มไปเลยใครจะทาอะไรก็ทาไปเลย ในที่รับหูรับตาพอจะทําอะไรก็ทําไปเลยแต่ในที่แจ้งยักลัวกฎหมายบัตรเมืองแต่ถ้าว่าผู้มีเจรณะในจิตใจแล้วถึงจะในที่รับก็ตามในที่แจ้งก็ตามไม่ควรทําเพราะทําลงไปในที่รับก็ตามที่แจ้งก็ตามคือความชั่วการทําความชั่วนั้นถึงทําในที่รับทำในที่แจ้งก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละเหมือนกับไฟเนี่ยแหะปิดประตูดีๆปิดห้องดีๆไม่ให้ใครเห็นเหงือนกันเนียเราจับคนเดียวมันร้อนไหมมันก็ร้อน จับในที่สาธารณะร้อนไหมมันก็ร้อนนะเพราะฉนั้นการทําความชั่วในที่แจ้งก็ดีในที่รับก็ดีมันเป็นบาปอากุศลทั้งนั้นแหละมันร้อนด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าทํากรรมชั่วสัพ ป, ปาปัสสะอัการะนังการไม่ทําความชั่วทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปราสัมปันดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสิทธาจิตตะปริโยรัปานัง การทําจิตให้ผ่องแผ้วหนึ่งเยตังพุท ธ, ธานาสาสนังนี่เป็นทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือการทําความชั่วเนี่ยถึงจะในที่รับในที่แจ้งก็เป็นของไม่ดีนะเพราะนั้นอยากคิดทําความชั่วในที่ต่างๆให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะนะแต่ยุคสมัยทุกวันนี้นะเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษ เรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วสูญมันอยู่ในจิตใจของเราทุกๆคนนะ่ะถ้าหังว่าไม่ได้ปฏิบัตินะ่ะแต่ถ้าหังว่าได้ปฏิบัติแล้วจะรู้ได้ว่าคนเราตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญทางวันเรานั่งภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้นะเราจะรู้ได้ดูตนเองว่าเราตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่พาไปเกิดนั่นคืออะไรคือนามธรรมคือใจนั่นอนะ่ะพาไปเกิดอ ไม่ใช่อื่นไกลออกไปนามธรรมเป็นผู้พาไปเกิดพาไปเกิดในภพน้อยพบใหญ่แล้วก็ตัวไหนที่พานามธรรมไปเกิดความดีกว่ความชัว่วเท่านั้นนะท่านรู้อีกความชั่วคือบาปพระคุถ้าบาปพระคุพาไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ชาญไปตกนรกไปแต่ถ้าหากว่าบุญกุศลพาไปเกิดไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรหมไปน